การฟังธรรมก็เป็นกุศลเป็นบุญของชีวิตเป็นมงคลให้กับผู้ได้สดับรับฟังแม้ผู้บรรยายเองก็ชื่อว่าได้มงคลด้วยในเรื่องของบุญเนี่ยก็มีตั้งแต่บุญไม่ว่าทานน้ำไม่ศีลน้ำไม่ภาวนาใหม่ บบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาแต่ความสำเร็จในบุญแต่ละแต่ละอย่างก็มีความสำเร็จที่ที่ต่างกันแต่เกี่ยวเนื่องกันโดยแยกกันไม่ได้ อย่างคนที่ให้ทานทันนำ้ำใมใจต้องละความยึดมั่นด้วยเห็นไหมทันน้ยใมใจต้องละความยึดมั่นคนที่มีความตรณีทีเหนียวมัชริยนะพอมีความตรณีทีเหนียวแล้วใจตรงนั้นก็เป็นเครื่องผูกผูกก็เป็นเครื่องรึงรัด ให้ติดอยู่เหมือนปูโสมเฝ้าสับหรือติดอยู่กับสิ่งใดแสดงว่าจิตนั้นก็ยังเป็นโซวัตตะกทุกอยู่หรือยังเป็นยางเหนียวมันติดสรุปว่ามันติดเมื่อวานถ้าเราจำได้ว่าใจของผู้อิสระเมื่อกระทบ สิ่งใดใจไม่เป็นสิ่งนั้นเมื่อสัมผัสกับสิ่งใดใจก็ไม่ได้หลงติดในสัมผัสนั้นก็แสดงว่าสุขหรือทุกข์ก็ตามไม่สุขหรือไม่ทุกข์ก็ตามปานกลางเฉยเฉยก็ดีใจชื่อว่าอิสระเป็นสภาพรู้ ตื่นเบิกบานแต่ไม่ใช่รู้อาการติดอาการยึดอาการหลงและอาการที่มีความมั่นหมายในอารมณ์นั้นจึงรู้สภาวะจิตขณะจิตเกิดดับตั้งปรากฏเกิดดับตั้งปรากฏเกิดดับตั้งปรากฏขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ฉะนั้นถ้าเรามีทันะาหมใจที่รู้ก็จะละความตรณีทีเหนียวไม่ได้หมายถึงว่าการละความตรณีทีเหนียวนั้นคือเราทำแบบเหมือนไม่มีเงินติดกระเป๋าหรือทำหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่ความหมาย ทันนิมัยก็คือการละความตรณีอะไรที่เป็นความตรนีโยมต้องระลึกดูว่าเออใจเรานี่มันติดอย่างนี้จริงๆมันยึดอยู่กับสิ่งนี้ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ได้คงไม่ได้ตั้งอยู่นานแต่เราก็จึดมั่นเหลือเกินฉละก็ไม่ได้ชาคะก็ไม่เป็นแบ่งปันก็ไม่ได้ ก็ดูเหมือนว่าเอาเข้ามาจนเต็มแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้อย่างไรนี่คือความไม่รู้จริงๆนะเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้ในทรัพย์ความไม่รู้การใช้ในชีวิตและความไม่รู้ในเรื่องของสภาพทุกข์ก็ยึด ติดกันก็เลยมีทรัพย์ก็เหมือนไม่มีคนระนี่เป็นอย่างนี้นะมีทรัพย์ก็เหมือนไม่มีบางคนนะ่แม้จะซื้อกินอาหารดีๆสักมื้อหนึ่งทางทังที่ตนก็มีฐานะที่ทำได้โดยไม่เดือดร้อนแต่ก็รู้สึก มีความตรรณีมากัน้นซับไม่กล้าที่จะใช้เก็บไว้อีกกินเหมือนตนที่เคยจนมาสิบกว่าปี2ี่ปีก่อนแล้วก็คิดว่าเรานั้นเคยจนนะบางคนอย่างนี้มีมนะคิดว่าเรานั้นเคยจนมาเคยจนมา ถึงจะมีทรัพย์สักเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าตนยังใช้ทรัพย์ไม่ได้น่างสารนี่แหละที่เขาว่าคนไม่รู้จกักทรัพย์ไม่รู้จักใช้ทรัพย์ที่มีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเคยตรัสไว้นะว่าการสแสวงหาทรัพย์ หาอย่างมีความสุขและการได้ใช้ทรัพย์ใช้อย่างมีความสุขถ้าใครไม่ตรงในในยะทั้งสองถือว่าแย่หาทรัพย์ก็หาด้วยความทุกข์ครั้นที่จะจ่ายทรัพย์จ่ายก็มีแต่ความทุกข์มันไม่ใช่แล้วนะ ต้องใช้อย่างมีความสุขทําให้ทรัพน์นั้นเกิดสุขทําให้สุขนั้นเกิดจากทรัพย์คนฉลาดหลายคนได้ใช้ทรัพย์ให้เกิดสุขการเผื่อแผ่เมตตาการมีจากคะพอทําเสร็จความสำเร็จก็คือนําสุขมาให้ในทรัพย์ ฉะนั้นคนที่มีทันน้ำใหม่ความสำเร็จแห่งทันน้ำใหม่ก็คือได้ใช้ทรัพย์ที่มีให้เกิดสุขไม่ใช่มีทรัพย์ไว้ให้เกิดทุกข์ถ้าตรงกับใครกรุณาเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจด้วยไม่เช่นนั้นทรัพย์ นับวันก็ทำให้พุกไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำให้เราเกิดความสุขในทรัพย์ที่มีพิจารณากันฉะนั้นทานนำใหม่ถวบุญสำเร็จด้วยการให้ทานก็คือทรัพย์ที่มีทำให้เกิดสุข ทำให้มีบุญกุศลเกิดพอเราเข้าใจรู้วิธีใช้ทรัพย์รู้วิธีการสร้างกุศลผลแห่งทานความสำเร็จชีวิตกลับมาก็คือเป็นผู้มีความมั่งมีสีสุขอุ ด, ดมมั่งคั่ง ในโภคะหรือโภคทรัพย์นับเท่าไร่ดูเหมือนไม่หมดเพราะทรัพย์นั้นไหลมาเทมาานิสงของการได้บำเพ็ญทานนำใหม่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าใครอยากรวยให้บำเพ็ญทานใครอยากสวย ให้บำเพ็ญศีลใครอยากมีปัญญาให้เจริญภาวนาเช่นคนจะมีปัญญาก็ต้องมีสติระลึกรู้ตื่นพิจารณาเห็นความจริงปัญญาก็เกิดเพราะไม่หลงอยู่กับทุกข์ไม่ติดอยู่กับสุขที่จอมปลอมเป็นเรื่องจริง โศกทำไมให้จิตใจต้องหม่นหมองกับสิ่งจอมปลอมของชีวิตที่ติดมาอันิจจังทุกขังอนัตตานะทราบไหมเขาว่าไว้อย่างไรว่าไวหนาเป็นความทุกข์ที่ไม่สุขสมอันิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาว่าไวหนาเป็นความทุกข์ที่ไม่สุขสมแต่มาเออเราภาวนา ธรรมะก็บอกใจเราใจเราเองก็รู้ธรรมะธรรมะก็รู้ใจเรารู้เขารู้เรารู้เรารู้เขานั่นแหละเขาเรียกว่ารู้สิ่งรอบตัวแล้วก็รู้ใจของตนเองที่เกิดขึ้นจนเห็นความเป็นตัวเห็นความเป็นตนและเห็นความโง่เขาในตัวตนด้วยเมื่อ เรารู้อย่างนี้ในเรื่องของทานก็เป็นบันไดที่จะไต่เต้าไปเพราะอะไรเพราะคนรู้จักการใช้ทรัพย์และความตรณีเป็นบุคคลที่ไม่ติดอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงรู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์เห็นไหมให้เป็นอริยทรัพย์ ก่อนที่จะเป็นอริยเจ้าโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลขอรู้วิธีใช้จริงๆโยมแต่มาบอกให้ฟังหรือพระกุณเจ้าก็ตามเรามีทรัพย์ได้มาสักเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่หรือเหลือสักเท่าไหร่ในคำตอบสรุปของชีวิตสุดท้าย ในที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเราถ้าเรากำหนดคำนี้ได้ความสงสัยย่อมไม่มีทำไมคนที่เขามีกำลังทรัพย์พอเขาได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดอยากให้ทรัพบเนี่ยให้เป็นอริยรัพ์คือทรั์ภายในให้เกิดมีขึ้นอย่างประเสริฐโยมก็ทราบเช่ว่าเครื่องประดับมันก็ประดับได้อยู่เพียงกายแต่จะมีสิ่งใดไว้ซึ่งประดับไว้ในใจไม่มีเจคันคู่ไหนประดับใจได้ ไม่มีดอกไม้ชนิดใดที่จะเสียบปักลงไปที่ใจได้นอกเสียจากธรรมะประดับใจคุณแห่งความดีประดับไว้ในใจสุดยอดนเนี่ยสิ่งที่ประดับที่สวยที่สุดในโลก คือธรรมะเป็นเครื่องประดับในหัวใจคุณแห่งความดีงามเป็นเครื่องประดับไว้ในใจจึงในอริยสัพ์ในข้อจาจะสละให้เป็นสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นคนอื่นก็คือรู้จักการบำเพ็ญ ทานนําใหม่โยมรู้ไหมว่าหรือพระกุณเจ้าเราเกิดมาตั้งแต่เริ่มเรียกว่าปฏิสนธิในครั้นเราได้รับทานนําใหม่จากผู้เป็นมารดาแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาเป็นจะขันขึ้นมาพอครบกําหนดก็คลอด รอดมาเป็นคนเติบโตได้บัดนี้นี่เพราะใครคิดเเติบโตถึงบัดนี้เป็นเพราะใครเราไม่ใช่ได้เพียงลมหายใจไม่ใช่ได้เพียงอัตภาพของรูปนี้มาแต่เรายังได้ทานทำไมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต ถึงบัดนี้มารดาผู้ประเสริฐผู้บังเกิดเหนือเกล้านี้บางครั้งไม่ได้นอนอดพักผ่อนยามกลางคืนดึกเดินตื่นขึ้นมาถึงเวลาให้น้ำนมน้ำนมใสสะอาดปราศจากสารเคมีชีวิตในบุตรนี้ เติบโตได้เพราะน้ำนมก็แสดงให้รู้ว่าน้ำนมนั้นก็คือทานให้อายุให้ชีวิตให้พลกํกำลังไม่ใช่ทานหรือที่เราอยู่รอดมาถึงในวินาทีที่ รับฟังอยู่ถ้ามีใช่ทานแล้วมันคืออะไรเราเข้าใจเลยนั่นเป็นเพราะทานทำไมชีวิตที่เราสำเร็จได้อาศัยทานเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่มาไม่สงสัย ขึ้นบารมีสามสิบทัศ์เอาเลยทานนปารามีสามปานโนทานอุปปารามีสามปานโนนะบารมีก็ตั้งแต่ปฏิสนธิก็เริ่มรับทานแล้ว ออกจากคลันก็รับตั้งแต่การอุปถัมภ์ดูแลเสื้อผ้าปกปิดให้พ้นจากเหลือบลิ้นไล ย, ยุงและความหนาวความร้อนเสนาสนะบ้านเรือนอาคารที่รับรองอยู่ก็เป็นทานนะไม่ให้ถูกลมแดด และฝนรถรั่วลงมาให้ถูกลายของตนเดี๋ยวจะสิ้นสักก่อนเพราะเราไม่มีภูมิอะไรเลยที่จะปกป้องแม้แต่มดตัวเดียวเรายัางสู้มันไม่ได้แต่เชื่อไม่ไหลยโยมชีวิตเราเพิ่งเกิดเพียงมดตัวน้อยนี่ยนะเรายัางสู้เขาไม่ได้เลย ไม่ได้ต้องมีคนเลี้ยงดูดูแลปกป้อ ง, องคุ้มครองเฉ่ว่าคนนั้นเขาเป็นผู้ให้เราถามว่าเป็นทานหรือยังเป็นให้เวลาให้ชีวิตให้ความปลอดภัยให้ความคุ้มครองให้อาหารให้ยุกยาทุกอย่างนี่เป็นบารมีฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงเปรียบว่ามารดาของบุตรเปรียบเริ่มตั้งแต่เป็นพระอระหันต์เปรียบดังเหมือนพระพรมเปรียบดังเหมือนเทวดาในบ้านเปรียบเหมือนครูอาจารย์ทุกอย่างและผู้เฝ้าดูแลทุกอย่าง ฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้สิ่งนี้มาเนี่ยก็เพราะทานบารมีฉะนั้นชีวิตของเราทุกคนจึงไม่ควรเพิกเฉยในเรื่องของทานบารมีและเมื่อเราบำเพ็ญทานบารมีไปเรารู้วิธีใช้ทรัพย์ที่ไม่เที่ยงให้เป็นอริยทรัพย์ หรือใช้ทรัพย์นั้นให้สำเร็จประโยชน์ให้เกิดสุขไม่ใช่มีทรัพย์เอาไว้ทุกเดี๋ยวจะเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์หรือจะมากรีดมากรีดมาร้องโหยหวนหวงแหนว่าทรัพย์เป็นของเราไม่ใช่ขนาดนางเรวดีเป็นภรรยาของอุบาสก นันทิยะหมันนบตอนที่จากไปแล้วนางก็ไม่ได้มีทรัพย์ติดตัวไปมีแต่บาปกรรมอันเผ็ดร้อนที่ถูกในนิรยาบัลโยนลงไปสูุ่่มนรกทั้งที่มีทรัพย์มากครั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ดูเหมือนนางไม่ได้ใช้ทรัพย์เลย ไม่รู้วิธีใช้ทรัพย์ให้เกิดสุขไม่รู้วิธีใช้บางคนมีเพียงเพื่อบำรุงกิเลสเอาไปซื้อตัณหาวัฏจักรวงจรของผู้ดุชนจึงไม่ข้ามพ้นในวัฏฏะสงสารอันเป็นทุกข์น้อยใหญ่ได้ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องความรู้สิ่งอันเป็นประโยชน์ของผู้มีทรัพย์ในการใช้แม้ชีวิตก็เป็นทรัพย์ชีวิตก็เป็นทรัพย์ชีวิตจบวันนี้จะมีสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนมันนิ่งไปแล้วทรัพย์ถูกเปลี่ยนมือไป กิจาการถูกโอนถ่ายไปลุกขึ้นมาพูดสิว่าของเรา ล, ลุกไม่ได้ตายแล้วตายแล้วเอาไปหาไปไม่ได้อะไรที่จะนำไปได้คนมีปัญญาเขาจึงรู้ว่าเขาจะทำทรัพย์นี้ให้เกิด ประโยชน์และสำเร็จด้วยทรัพย์ที่มีได้อย่างไรอย่างนางวิสาขาเขาบริหารทรัพย์อย่างมีความสุขและสำเร็จด้วยทรัพย์และทรัพย์นั้นไม่ไปไหนเขาเกิดในภพภูมิใดก็ตามทรัพย์ทั้งหมดเหมือนมารอเหมือนต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ดีเลยออกดอกออกผล รอคนนี้ที่จะมาเด็ดมาดมมาชมและมาใช้มาดื่มมากินอบารมีอย่างนี้ถต่มาว่าเขาฉลาดและฉลาดโดยเฉพาะการได้รู้วิธีสร้างทานบารมีให้สำหรับพระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์พระกุณเจ้าผู้มีศีลลจารวัตที่งดงาม เป็นบุญยเขตเป็นเนื้นามบุญตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอระหันต์และพระอริยสงฆ์เจ้าตั้งแต่อริยะโสดาขึ้นไปหรือแม้แต่ผู้ที่ยังรักษาศีลและผู้ทมฌานอยู่แม้จะไม่สำเร็จความเป็นอรหันต์แต่ชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่การสักการะและบูชามีอยู่ตอนหนึ่งนะ เมื่อศาสนาถึงในอีกยุคหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ปรินิพานแล้วแม้พระอราหันในเวลานั้นอริยผลหมดแล้วก็ตามไม่มีผู้ปฏิบัติดีจนสุดท้ายลดแล้วก็เหลือเพียงว่าถ้าไม่มีเพียงผู้รักษาศีลผู้นั้นก็ควรแก่ การบูชาสักการะแล้วถ้าไม่มีแม้ผู้ทาฌานก็ควรแก่บูชาและสักการะเห็นไหแต่ถ้าต่ำกว่า น, นั้นก็มันไม่มีอะไรที่จะต้องบูชากันแล้วไม่มีแล้วสมาธิศีลไม่มีก็ไม่รู้จะจะว้กันตรงไหนแล้วมันก็เสื่อมกันหมดแล้วก็คืออยู่อย่างทุศีลศิลวิบัต มันก็คือการเบียดเบียนเข็นค่าทำรายอาฆาตมาตรา ย, รายไม่เจริญแล้วเป็นบุคคลที่เสือ่อมพอไม่มีที่สุดก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงผู้ทำฌานหมดจากนั้นก็ไม่ได้กล่าวอีกเลยศีลไม่มีฌานไม่มีมมก็คงไม่ต่างกับสัตว์ที่วิ่งอยู่ตามที่เราเห็นะ่ะที่ต่างจากสัตว์พวกเราก็คือ การได้ทำฌานการได้มีศีลการได้เจริญภาวนาการได้รู้จักให้ทานที่รู้จักการทำรั์นั้นให้เกิดประโยชน์และความสำเร็จในทรัพย์เป็นอริยศัพย์ต่อมาบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลอริยาโยมพระคุณเจ้าดูแลกันว่าหน้าตาของศีลเป็นอย่างไร ถ้าเขียนก็คือสอเสือสระอีลอลิงหรือสอกอสาราสระอีลอลิงศีลศีละแล้วแต่ก็คือศีลหรือความเป็นปกตินี่คือศีลฉันอะไรที่เราทำแล้วไม่ปกตินั่นแหละเริ่มที่จะ ไม่ใช่ศีลแล้วนะอะไรที่ทำแล้วไม่ปกติอย่างเช่นเราไปเบียดเบียนเขาถึงยังไม่ฆ่าเนี่ยมันอยู่ในขา่ายท่านศีลเนี่ยคือเศร้าหมองอย่าเข้าใจว่าเราไม่ฆ่าเรามีศีลบริบูรณ์ก็ไม่ถูกทีเดียว คารุณกรรมสัตว์เบียดเบียนสัตว์ให้ร้ายกันผู้มีศีลที่สะอาดเขาไม่ทำอย่า ก, กล่าวว่าฆ่าเลยฉะนั้นทำไมต้องมีว่าศีลด่างพร้อยศีลทะลุศีลขาดแล้วก็ขาดศีลพวกเราไม่อยู่อย่างผู้ขาดศีล พวกเราอยู่อย่างผู้รักษาศีลฉะนั้นวิธีรักษาศีลก็คือยกกายวาจามาสมทานวิรัตถือแล้วก็งดในสิ่งที่พึงต้องห้ามไว้ก็คือเราจะไม่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเจตนา วงเล็บนะด้วยเจตนาทําให้เจตนานั้นยังไม่จัดว่าเป็นปานาติบาตโดยแท้อย่างมีเรื่องเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลมีพระอาหารหันต์รูปหนึ่งท่านบอมเพนจุนตาบอดยามเช้าท่านก็ออกมาเดินจงกรมอีกเดินไปเดินมาหมดมแมลงเต็มไปหมด ท่านก็เหยียบตายเกลือนไปหมดพิสุก็ไปกราบทูลต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญฉะไหนพระพิสุรูปนี้จริงเป็นอรหันต์แล้วยังฆ่าสัตว์อยู่พระพุทธเจ้าก็ได้รับสั่งเข้าเฝ้าให้พิสุ มารวมกันสุดท้ายก็ได้สอบถามไต่ถามตามความเป็นจริงว่าเธอรู้หรือไม่ว่าในพื้นนั้นมีตัวสัตว์ที่เธอเหยียบย่ำทำให้สัตว์ได้ล่วงถึงแก่ชีวิตพันตอบไงรู้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระพุทธเจ้าตาบอดสนิท ไม่สามารถจะรู้เห็นในสิ่งที่มีอยู่ในพื้นดินแม้แต่น้อยพระเจะะ้าค่ะและสิ่งที่เหยียบลงไปข้าผู้เจ้าเองก็ไม่ทราบว่าได้ล่วงชีวิตสัตว์พระเจ้าค่ะเห็นไม่โยมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าบัดนี้พิสุนิยังชื่อว่าเป็นผู้ ไม่มีบาปเป็นพระอระหันต์อย่างแท้จริงเพราะเจตนานั้นไม่ทราบเลยไม่มีการได้ตั้งไว้เพื่อจะเบียดเบียนทำลายให้ร้ายและล่วงชีวิตสัตว์ไปแต่มาเคยนึกนะเรานั่งรถยามค่ำคืน เดินทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสัตว์แมลงน้อยใหญ่ตายนับล้านแต่มาคิดมาก่อนนี้แล้วจนถึงแม้แต่กินยาฆ่าพยาธิเป็นบาปแก่เราไม่หนอมันเคยมีความวิตกถึงขนาดนั้นแต่พอเราพิจารณาส่วนหนึ่งสัตว์โลกก็เป็นไปตามวิถีกรรมของเขาเพราะ เขตนี้เขาก็ประกาศแล้วว่าเป็นเขตเส้นทางของยวดยานพาหนะที่ขับขี่อยู่สัตว์ที่มาเล่นไฟหรือเราก่อไฟแล้วมาแรงเม้าบินเข้ามาเนี่ยนั่นมันเรื่องของวัตถจักของเขาเราไม่ได้ทำไม่ได้มีเจตนาที่จะทำสิ่งนั้นก็จบลง สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรมเขาก็เป็นไปตามเหตุฉะนั้นเจตนาของเราตั้งให้ดีนะตั้งให้ดีอย่างพระจักขุบาลท่านไม่มีเจตนาตาท่านบอดท่านไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบจริงๆแต่พิสุที่แลเห็นอยู่สัตว์ตายเกลื่อนเลย อย่างบางทีเราขับรถนกบินมาต่อมเราก็ใจไม่ดีนะมันก็เหมือนกับจะเป็นกรรมให้เศร้าหมองถ้าเรามีปัญญาก็ก็จบอย่างว่นนั้นนั่งอยู่ดีที่กุฏินกบินมาจากไหนความเร็วไม่รู้เท่าไหร่ปังคอย่อนเลยนะ แตมาก็ลงไปสักครู่ดินผับๆก่อนเขจับมาเจ้าเอ้ยเจ้าบินยังไงไม่ดูตามาตาเรือเลยเจ้าแม้เจ้าเป็นนกวิหกบนเวหาสุดท้ายเจ้าก็มาชนขอบหน้าต่างตายเนี่ยนะข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้เอาบุญอันใดที่ข้าที่อาตมาบำเพ็ญมาเจ้าจงเป็นผู้ได้รับรู้ส่วนบุญเขาก็ลืมตาใส่อยู่นะพูดจบประมาณสักหนึ่ ง, งสองนาที เรียบร้อยทีแรกก็ยังมีอาการตัวสรรั่นอาจจะมีเวทนามากเหมือนกันสักครู่ก็เขาก็จากมาเอา้าอย่างน้อยเจ้าก็เป็นผู้ได้รับรู้บุญแล้วนะแล้วก็ฝังเขาไว้สัตว์เมื่อถึงเวลามันก็ไปทั้งตายทั้งเกิด เราไม่สามารถลิกิตสัตว์นั้นให้เป็นเหมือนที่เราจะให้เป็นได้แต่เราจะมีโยนิโสมนสิการตั้งโดยแยบครแห่งใจเราได้ว่าเราจะทำกรรมอะไรในขณะที่ยังมีชีวิตหายใจเป็นยังอยู่เนี่ยพอเรายกข้อศีลเขามารักษากลับมาตรงนี้พอเรายกศีลมาเป็นข้อรักษาเราจะไม่ละเมิด ในเรื่องของชีวิตซึ่งกันและกันฉะนั้นที่เราแผ่เมตตาสเปสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เ่ากเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราจเจริญสติทุกวันนะเขาเรียกว่าเป็นการจเจริญสติ หรือ ว, ว่าสาธยายทุกวัดว่าเราเป็นชีวิตที่เกิดร่วมแก่เจ็บตายเราจะไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่อาฆาตแล้วขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสุขขีอัตตานังจงเป็นสุขเป็นสุขฉะนั้นใจที่ปรารถนาดีอย่างนี้นั่นแหละเป็นการได้ปฏิบัติ ที่เยี่ยมเพราะความเมตตาโลโกปัตธรรมพิการเมตตาเมตาเนี่ยคำจุนโลกไว้แต่การทำลายเนี่ยมันไม่ใช่คำจุนโลกเหยียบย่ำกันยังไคนเข้าไปไปซ้อมกันไปยกพวกตีกันโอ้มันเป็นมนุษย์สัต มนุษ์สัตว์ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนมนุษย์เป็นครึ่งคนกับสัตว์รวมกันเพราะศีลไม่มีเข่นค่าแล้วแม้แต่ศีลในเรื่องของทรัพย์ทั้งหมดจะโดยอุบายวิธีการใดก็ตามผู้มีปัญญาอันช่อชนทั้งหลายท่านจะเอากฎหมายหรือจเจ้าวิธีไหนก็ตามปลอมแปลงแบบไหนก็ดี สรุปว่าเจตนาของเราตั้งไว้เพื่อเอาทรัพย์ของเจ้าของที่ไม่ได้รับอนุญาตบาปไม่มีจับไม่ได้บาปไม่เกิดไม่ใช่มันเท่ากันบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วด้วยการกระทาก็คือพฤติกรรม อะไรก็ตามที่เราเราไปประทุดสาร้ายทรัพย์ของผู้อื่นท่านชีอว่าทำลายสีลและทำร้ายตัวเองให้เกิดความวิบัติล่มจมลงให้ลึกขัดสนไปอีกนะโยมเห็นไ้ยความเจริญที่เกิดจากโจรเนี่ยมีไหความเจริญที่ไปสร้างให้ครอบครัวอื่นเขาวิบัติ ถ้าจะเป็นมันก็เป็นเพียงภาพลวงตาเพียงระยะสั้นๆนะพอหลังจากนั้นชีวิตทั้งชีวิตพบน้อยใหญ่ที่ติดตามมาเนี่ยโอ้โหโยมกระแสตรงนั้นมันเป็นกระแสที่ฝืดเคืองขัดสนและจะถูกขืนทุกอย่างมีแต่ความวิบัตินำซัดนำซ้ำ จนเรารู้สึกคนที่ไม่เคยยกมือไหว้นี่ไหว้เป็นคนที่ไม่เคยเกรงกลัวตวบับกลัวเป็นแต่มาเจอมาแล้วมีโยมคนเนี่ยโหย่ห่ามากไม่กลัวใครเลยห้าจริงๆบุญบาบบปเนอะไม่ต้องมาพูดบอยานข้างบัวเป็นว่าเล่นข้าควายเป็นว่าเล่นเหมือนสนุกถ้าจะมีงานไหนอาสาเลย จูงไว้ฆ่าเองสนุกแต่พอไม่กี่ปีมาไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้และยับเยินเลยโยมอุบัติเหตุแม่ดูแล้วมันน่าจะตายไปแล้วนะเขาไม่ให้ตายก็ให้ใช้กรรม บางครั้งนะตายชะดีกว่าที่อยู่ต่อเพราะสภาพที่อยู่ต่อ น, นี่มันยับเยินนะโยเขาเรียกว่าหมดสภาพประโยชน์นั้นไม่เกิดอีกเลยถึงจะมีชีวิตอยู่อีกสักร้อยปีประโยชน์นั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วมันทุกทรภาพมากเลยได้เลยทุกทรพยาพมากยับเย็บกันไม่รู้กี่ยบผาไม่รู้กี่ผา อีกคนหนึ่งก็ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปอ้าพี่ตายน้องตายแม่ตายตายติดติดติดติดกันสี่ห้าคนโอ้โหเดินเข้าวัดตัวปลิวเลยก่อนที่จะตายไม่ใช่ไรก็มันถึงตัวแล้วอะแม่ตายต่อมาพี่ชายตายอีกเดือนครึ่งเดือนเอาน้องชายอีกไล่มาอีกถึงตัวเองแล้ว ขอบวชปะ่ะใจมันเห็นบุญแล้วนี่เขาเรียกว่าบวชน้ตายบวช่านตายพันวย่ า, ยานแล้วปิดไฟไม่ได้นอนอนนะ่ต้องเปิดไฟให้สว่างไว้กลัวถึงขนาดนี้นะกลัวแม้แต่กระทั่งความมืดยมคิดเอ ใจเป็นอะไรคนยมกลัวความมืดไหมมาตองยานเดอ้อเอาไฟฉายเปิดเห็นหุ่งโหลดไม่ต้องไปกลัวความมืดถือไฟฉายเปิดใช้เลยอย่าไปกลัวเพียงแต่เดินให้ระมัดระวังอาจจะมีหลุมมีบ่ออันตรายได้แต่ความมืดไม่ใช่น่ากลัวแต่ความมืดควรระวัง เพราะอะไรอยู่ข้างหน้าเราไม่รู้มันมีแค่นี้เองที่ควรระวังคือเราไม่รู้ว่าไอ้ก้าวต่อไปมันมีหลุมไหมจากนั้นถืคอควายฉายแต่นี้ไม่ใช่กลัวแบบอย่างนั้นกลัวแม้แต่ว่าถ้าปิดไฟมืดและจะตายคิดหรือว่าแสงดีออนช่วยได้ โอไม่เคยไหว้พระสวดมนต์ตัวสั่นเลยสัน่นไม่เคยนั่งสมาธินั่งนั่งสมาธิหนีตายเจออีกพวกนะ่นไหว้พระด้วยความกลัวภัยมาแล้วไหนบอกไม่กลัวไม่กลัวเวรไม่กลัวกรรมไม่กลัวตายเพราะจิตลึกๆรู้นะว่าตนนั้นความวิบัต จะมาถึงวิ่งหาที่พึ่งแล้วก็รู้ว่าอะไรก็ไม่เป็นที่พึ่งเท่ากับเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะโอ้แล้วได้ผลนะจนบัดนี้ยังไม่ตายและทำบุญอีกเดี๋ยวนี้ทำบุญอยู่วัดอยู่ว่าช่วยวัดช่วยวาเออดีน่าจะโดนเอ็มสิวกสักรอบหนึ่งมันก็ดีอีกแบบ ถึงบอกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตามันเข้ากับคนนิจั์ของพวกเราไม่ต้องเห็นลงศพนะโ ย, ยมเนาะเห็นแค่ฝาลงก็น้ำตาไหลแล้วมันรู้แล้วมันรู้ก่อนฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลดีไม่กลัวคนมีศีลที่สมบูรณ์ไม่ว่าพระ รูปไหนถ้ามีศีลสมบูรณ์และท่านเห็นว่าท่านมีศีลสะอาดโอ้ยบ่ญญหลอกท่านไม่กลัวเข้าป่าเข้าเขาไปนั่งที่ไหนบอกที่ไห น, ไหนไหร้ไร้เฮียนเฮียนนะไปโลดบรรุญ่าลไปเลยไม่กลัวไปพิสูจน์ว่าศีลของเราเป็นที่รองรับเป็นที่รับรองของพูดปีปีศาจเจ้าที่เจ้าป่าสิ่งเลวร้ายศีลคุ้มครองเราได้ไหม หน้าพิสูจน์ตรกมาว่าแต่โยมอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวกลับมาปั๊มปัป๊มเปื่อเ ป, อเปอ่อพูดเป็นอยู่คำเดียวเรียกอาจารย์สมชาติอาจารย์สมชาติเนี่ยนะมันตื่นนี่นะคือพอโย่จืดได้อาจารย์สมราตอาจารย์สมราตานะนี่ยอิหลีนะคนเวลาตกใจที่สุดหาที่พึ่งอะไรที่ะระลึกได้นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าครกล่นนะพึ่งไม่ได้นาโยมอุทานอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้นะ ไ, ม ไ, ดไม่ใช่อุย๊ยครกล่นนะมันคนละเรื่องแต่มันก็ขาบวมหรอกฉันไปพิสูจน์ได้แตรมาพิสูจน์มาเยอะแนหะมันตรงกันข้ามโยมเชื่อไม่ว่าถ้าเราศีลดีและเราเห็นศีลจริงๆนะเรากราบศีลของเราได้นะเรากราบตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลย ไแแต่จำไว้อย่าอาหางการเ ม, มืองการอย่ากระด้างอย่ากระเดือ่องอย่าทำอวดดีอวดเก่งว่าข้ามีมีของดีหรือมีแก้วสารพัดยาคนดีไปไหนต้องเผื่อแผ่ไปไหนต้องเคารพสถานที่บุคคลและสุดท้ายคือการเวลา ทำไมต้องเคารพการเวลาการนี้เราควรทำอะไรให้เหมาะเราทำตรงนั้นนี่คือเคารพเรารู้เวลารู้บุคคลรู้สถานที่นั่นแหละคือคนที่มีปัญญาสุดท้ายก็คือรอบรู้ในสิ่งที่อยู่รอบตัวและสิ่งที่รู้ก็คือใจเราเองภาวนาต้องอย่างนี้นะพอรู้เสร็จ ศีลเราไม่ดั่งพร้อยนั่งดูศีลเนี่ยทรัพเราไม่ได้เบียดเบียนใครใครก็เบียดเบียนทรัพเราไม่ได้มันป้องกันกันหน้าสิ่งเราพอศีลของเราครบหมดนะสัดร้ายไม่กล้ำกลายแม้กล้ำกลายก็ไม่ทำลายอโยมเช่ว่างูเรื้อยผ่านหน้ามันเฉยเดินจะเหยียบอยู่แล้ว มันวุ่นวิดกันเองเขาตกใจหนีเรามันแปลกแต่มาว่ามันต้องมีสิ่งดูแลคุ้มครองเรามันวุ่นวิดวุด่นวิดวุด่นวิ ด, วดบางคนเกิดมาทำบาปไม่ขึ้นเลยมันมีสิ่งมาขวางเองหรือบางคนใจไม่เอาเลยเรื่องบาปเรื่องอะไรบางคนก็ใหม่ๆก็มีบ้างเขามีฮีริโอตาบะนี่คืออริยทรัพย์ ที่ทำให้เราเนี่ยไปสู่สุคติในสวรรค์พอเราดูความสำเร็จเรื่องศรรีลทำให้เราสามารถบรรลุเป็นเทพประรุเทพธิดาไ ด, ได้เราไม่จำเป็นว่าความสำเร็จคำเดียวต้องอรหรอันย์อย่างเดียวยังยังไม่ต้องถึงตรงนั้นความสำเร็จมีแต่ละระดับระดับระดับโยมสาเร็จศรรีลมาบอกโยมเป็นเทวดา เป็นเทพระบุตรเป็นเทพธิดาโดนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องรอชาติหน้าเลยชาตินี้เป็นแล้วแต่อายุสั้นหน่อยชีวิตมนุษย์เมื่อสิ้นจากโลกนี้ไปสุกติเป็นอนหวักเพราะอาุศลนกรรมวิบากในการเบียดเบียนทำลายให้ร้ายไม่มีศีนลนับรองสุกติของโยมก็หวังอานิสงส์ของบุญที่เรารักษาศีลทาให้เกิดอยู่ในสวรรค์หกชั้น เห็นไหยเราก็มีสุขในโลกียสุขแต่ไม่ใช่โลกุตระสุขนะแม้ไม่ใช่โลกุตระสุขแต่ศีลที่เรารักษาเป็นบาดฐานทำให้เราเข้าใจจิตที่จเจริญขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนอบรมจิตให้อยู่สูงขึ้นไปให้สูงขึ้นไปแล้วก็ละกิเลสในขั้นหยาบ แล้วก็มาอย่างกลางแล้วก็ละเอียดจนถึงกับมาภาวนาใหม่ยมรู้ไหมภาวนาใหม่ทำไมต้องภาวนาภาวนาเพื่ออะไรภาวนาให้เกิดปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาให้รู้ว่านี่คือทุกข์ดับสีนี่เหตุของทุกข์ละเสมาสรุปย่นย่อภาวนาเพื่ออะไรนะ เพื่อดับทุกข์ดับทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายที่เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าจบอย่างไรเราต้องเปลี่ยนจากบุตุชนมาเป็นอริยชนและสูงขึ้นเรื่อยจนถึงเข้าสู่อรหันต์ในที่สุดจบองค์แห่งการภาวนาคือพ้นทุกข์แล้วถ้าพ้นทุกข์แล้ว ก็ไม่มีกิจอื่นที่โยมต้องแสวงยิ่งกว่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสพอใครบรรลุอรหันต์บวชพระองค์ก็แสดงเพียงรับสั่งหรือบัดนี้เธอจงเป็นพิสุบรรลุแต่ถ้ายังไม่ถึงอรหันต์เธอจงปฏิบัติตามคำท่ำสอนของเรา เธอจงทําที่สุดแห่งกองทุกนี้ให้สิ้นเถิดบัตนีเธอชื่อว่าพิสุตัดประเด็นออกว่าเธอจงเพียรทําที่สุดแห่งทุกคานี้ไม่มีละจบตั้งแต่ก่อนที่บวชแล้วแต่ในฐานณนะเมื่อใครได้บรรลุแล้วเนี่ยวิสัยก็จะไม่อยู่แบบคารุวาดหรือคฤหัดคารววาดการครองเรือนต้องออกมาไม่ว่าใคร ถ้าจะอยู่ตรงนั้นในเพศของค า, ารวนอยู่ไม่กี่วันก็สิ้นถ้าจะอยู่ต่อก็คืออยู่ในร่มผ้ากาสาวะทั้งสิ้นไปดูได้ในประวัติฟังทาครั้งสองบรรลุก็บวชอรหันแล้วก็บวชก็มีพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยเป็นนะก็มาบรรลุตอนที่จะสิ้นแล้วนะตอนนั้นก็มีเวทานาเยอะ ก็ป่วยไข้ประชวนมากด้วยก็เป็นพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านี่ก็ได้บรรลุฟังธรรมแล้วก็บรรลุก็แสดงว่าเขามีวาสนาบารมีธรรมมาเยอะก็ไปดวงตาเห็นธรรมตอนพระพุทธเจ้าออกโคจรบินธรรมบาททีแรกก็เสียใจนะ ว่าตระกูลวันนะตระกูลของเราไม่เคยทำเยี่ยงนี้เลยอับอายอับยศทำไมทำเยี่ยงขอทาน น, นทีแรกโอ้สกุลของเราไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้รู้สึกอับอายมากถือบาตรไปเดินบินตบาตรเหมือนไปนขอตามบ้านน้อยใหญ่ใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วเงี้ย แล้วพ่อเป็นพระราชาคิดอย่างไรลูกเราไปถือบาดขอทำไมไม่มาหาเราอาหารอันประานีของเรามีมากทำไมทำอย่างนี้โอ้น้อยเนื้อต่ำใจโศกเศร้าเสียใจไปต่อว่าเลยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมหาโบพิตผู้จเจริญในสกุลของเรา แต่ไหนแต่ไรมาก็ปฏิบัติเยี่ยงนี้เอา้ามันคนละสกมันคนละวงแล้วเนี่ยของเราพุทธวงศ์อานุสากกิจวงศ์พระเจ้าสุโธธนะนี้รู้สึกได้เลยว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงพุทธวงศ์วงสกุลของเราแต่ไหนแต่ไรมาก็ทําเยี่ยงนี้ออกโปรดสัตว์ยามเช้าเพื่อให้สัตว์นั้นได้รู้จักการให้ทาน ภายหลังก็เข้าใจตนเองก็ได้ทําทานดักบาตรเหมือนกันพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเราอยู่ในสักยาวงไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ได้อยู่ในสักยวงอยู่ในพุทธาวงวงแห่งพุทธทะที่สืบสายต่อเนื่องมาในแต่ละพัตตะกับ พ, พัตตะกับ พ, พัตตะกับและแต่พัตตะกับหนึ่งจะมีสักกี่พระองค์ก็แล้วแต่แต่ในยุคเรามีห้า ก็อีกองค์หนึ่งคือพระสีอริยะเมตไตรแต่ตอนนี้ยังตราบใดพระสัทธรรมยังคงอยู่คุณศาสนาในยุคของพระพุทธโคโดมก็ยังปรากฏอยู่จนกว่าทุกอย่างสิ้นสย์ไปแล้วก็ว่างเว้นไปก็จะมีพระปัจเจกใหม่อีกมาบำเพ็ญอีกบรรลุกันและไม่ได้โปรดไม่ได้สอนใครจรึงได้เป็น ปัจเจกชนเป็นพระปัจเจกตรัสรู้ชอบด้วยตนเองแต่ไม่สอนใครเป็นบารมีเฉพาะตัวอย่างพระเธวัทัตก็จะเป็นพระปัจเจกนะหลังจากได้ชดใช้กรรมวิบากอันเจ็บแสบแล้วนะแล้วในที่สุดจะเป็นพระปัจเจกเอ้ยไม่งั้นพระเทวัทัตป่านนี้ก็บรรลุเป็นอรหันต์ไปแล้วเป็นอสิติมาสาวกองคได้องค์หนึง่งไปแล้ว แต่ด้วยความมักใหญ่ไฟสูงความกระด้างไม่เห็นได้อะไรเลยแตมาทำไมเราจะต้องเป็นหนึ่งด้วยหรือทำไมต้องมีหนึ่งมีสองทำไมเราต้องเอาตัวไปไปวัดทำไมไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรมินำซ้ำเกิดโทษ ด, ด้วยทำไมจะต้องเป็นหนึ่งด้วยแต่มาถามเป็นไปทาไมในเมื่อเราปฏิบัต เพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะต้องดีกว่าเขาหรือต้องเอาตัวเราไปวัดมานะทำไมต้องไปไปมีตรงนี้ด้วยนั่นแหละพอเห็นผิดนิดเดียวก็ไปเลยก็ดีเทวทัตก็เป็นครูอาจารย์สอนพวกเรานะสอนเราอย่างน้อยตอมาก็ได้สติเหมือนกันใครดีกว่าเราเราต้องยกย่องสรรเสริญเขา สิทธ์เก่งกว่าครูอาจารย์เนี่ยาศาสนาจเจริญวิชาการจเจริญแต่ถ้าสิทธ์ด้อยกว่าครูอาจารย์ไม่นานวิชาการทุกอย่างจะค่อยๆหดหายแล้วก็หมดไปถ้าสิทธ์คนไหนเก่งกว่าตมาจะดีใจส่งเสริมได้ยกย่องได้ต้องยอกยอ่องทันตมารู้โอ้นี่แหละ จิตของนักปราชิ์เขายกย่องบัณฑิตไม่ใช่ไปข่มเหงบัณฑิตคำว่าบัณฑิตอ๋อที่แท้ก็คือจิตที่สูงยกความดีให้เป็นความดีและเราไม่บังความดีไม่กั้นคนดีด้วยนี่คือบัณฑิตแท้ของพวกเราระวังนะตัวอิจฉาเยอะอย่าบอกว่าไม่มีนะเยอะ ใครดีกว่าใครเลิศกว่าใครสวยกว่าใครสาวกว่าใครขาวกว่าใครรู้สึกมันร้อนอยังไงไม่รู้ร้อนหรือใครถูกชมเชยมากหน่อยเราก็รู้สึกหมันไสอา้าวในแหละอิจฉาอิจฉามันเป็นความเห็นผิดทั้งนั้นเลยแต่มารู้แล้วจิตถ้าเราไม่ไปยกตัวตนเองไปเทียบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มาออก จะบรรลุธรรมได้เร็วกว่าและไม่มีทุกข์ด้วยนะอยู่สบายเราอยู่ของเราได้เราก็มีคุณค่าของเราแล้วก็ทําของเราไปใช่ไหมโยมเราไม่มีกําลังทรัพย์แต่เรามีกําลังกําลังกายเราก็สร้างบุญเรื่องกําลังกายได้ เ, เรามีกําลังปัญญาแล้วก็พิจารณาภาวนาก็สําเร็จได้เราทําอะไรได้ทําไม่ใช่ไปเอาปมด้อยมาเ ป, ป็นปมขายโง่ no. แต่มาไม่ได้ว่าโยมว่าทุกคนนั่นแหะ เอาปมด้อยเนี่ยนะมาเป็นปมขายโถ่มันไม่ใช่เรื่องเลยเอาจุดบางคนก็ชอบนะซ้ำเติมคนอื่นนะคนได้ทีเอาแล้วทีกูบ้างแหละเขาผิดแค่ประมาณสักประมาณสักนิ้วก้อยนะนู้มาเป็นแขนเลยใส่ร้ายป้ายสีใส่สีตีไข่ที่เขาว่าทำทำไม กันไหนบอกสัตเพสัตตาลืมแล้วหรือสติสาธยายธรรมทุกวันอันว่าสัตว์ทั้งลายทั้งปวงท่องบ่อยๆสิหมดนี้ว่างๆขึ้นรถก็สัตเพสัตตาร้องจิงกว่เพราะน่ะ น, นะอันว่าสัตทั้งลายทั้งปวงยังไม่เพาะร้องมาอีกสัตเพสัตตาเ อ, อ ร้องจนใจของเรานะั้นเมตตาพอเห็นอะไรขึ้นมาก็อสงสารอันนี้เห็นแล้วจะหมั่นไสนะ้อารมณ์ของผู้ภาวนาเขาไม่หมั่นไส้คนผิดเขายังอโหสิยกโทษเลยถ้าเตือนก็เตือนด้วยความเมตตาไม่ใช่เตือนด้วยแบบมันใช้อาการที่ไม่ใช่บัณฑิตคนสอนคนคนเตือนคน ต้องเตือนตนใช่ก่อนมันจึงจะสอนถูกสอนเป็นสอนได้และสอนแล้วคนเขาเชื่อเขาฟังด้วยคนที่พูดเป็นเนี่ยพูดหนึ่งร้อยคำคนเขาฟังหมดเลยพูดไม่เป็นพูดเพียง1ิบคำคนก็ไม่ฟังจริงยมดูามชาติพูดหนึ่งชั่วโมงยมนั่งเงียบพูดเป็นเห็นไหม บอกสาธุสาธุดังเลยแสดงว่าการฟังเป็นมงคลแล้วก็เห็นจริงเด้วเออใช่ใช่ใช่ใ ช, ใชฉะนั้นสุดท้ายก็คือการภาวนาเราจะสำเร็จมันจะมีเป็นสเต็ปก็คือมันจะเป็นบันไดในขั้นในขั้นในขั้นในขั้นอย่าไปปฏิเสธเบื้องต้นแล้วก็มายอมรับที่สุด อาตมาถามโยมเนะี่ยข้าวกินที่กินข้าวอยู่ในจานอิ่มคําแรกหรืออิ่มคําสุดท้ายโอ้โหเขาตอบกันเยอะนั้นตกหลุมพรังอาตมาหมดบางคนบอกอิ่มคําแรกเออนั้นก็กินคําเดือวแล้วกันอ่ออิ่มคําสุดท้ายคะ่ะเ อ, อ้งก็กินคําสุดท้ายแล้วกันอิ่มคําไหนวะอิ่มทุกคําที่เคี้ยวป้อนแล้วก็กลืนลงไป นั่นแหละใช่ใช่ใชทำไมต้องบอกระยะทางพิสูจน์แรงม้าก็คือการวิ่งเป็นเครื่องวัดว่าเขาจะมาถึงในระยะทางถ้าม้าที่แข็งแรงจริงเขาก็ต้องวิ่งให้ถึงและก็ตามเวลาแต่การเวลาที่พิสูจน์คือพิสูจน์ทุกอย่างโดยเฉพาะใจของคน ใจของคนเนี่ยยากแท้อย่างถึงภูภูผาภูเขายังวัดว่ากําหนดได้ใช่ไหมโย่แต่จิตมนุษยากใสอย่างถึงเราไม่รู้ขนาดตัวเขาเองเขายังไม่รู้ว่าจิตของเขาทําไมเป็นอย่างนี้แตมาบอกเอออย่างนั้นก็ไม่ต้องคุยกันแล้วโย่มันพั่าเพื่อแล้วนะอย่างนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หนูเป็นอะไรจิตหนูถึงเป็นอย่างนี้พูดได้ไงเนี่ย พูดใหม่พูดผิดพูดใหม่หนูต้องรู้ว่าจิตหนูเป็นอย่างไรหนูต้องกำหนดได้มันเกิดอะไรขึ้นต้องกำหนดได้กำหนดไม่ได้แต่มาไม่อยากเข้าใกล้แล้วละ่ะไม่เอาต้องกำหนดได้รู้เป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้เราเข้าใจสิ่งที่ทำเรารู้สิ่งที่จะเป็นไปมันจะจบอย่างไรเรารู้ เออมันต้องอย่างนี้ถามว่าเดินไปไหนไม่รู้เอาแล้วชวนธรมมเดินตรมมจะไปดีไหมโยมโยมห้ามไหมห้ามใช่ไหม อ, อ่ไม่ไปแล้วโยมห้ามไปไหนบอกไม่รู้อาจารย์ไปไหมเดี๋ยวถามอีกคำโยมไปไหนบอกไม่รู้งั้นโยมไปแล้วกันไปไหนอ่ะไม่รู้ใครไปเขาไปธรรมอยู่อย่างนี้ก็สุขสบายดีอยู่แล้ว เราต้องบอกไปยมไปไหนยมจะไปนั่นไปนี่เออเราต้องรู้จุดหมายปลายทางต้นทางปลายทางยมต้องรู้เหมือนเราเกิดมายมต้องรู้ว่าเหตุที่เราเกิดเรามีกรรมมีวิบากมีผลอะไรมาเป็นเครื่องวัดทำไมเราอยู่ฐานะอย่างนี้ยมต้องรู้บ้างแล้วล่ะถ้ารู้รึกซึงอีกก่อนจะเกิดนี้มาจากไหนอีก และดำเนินชีวิตแล้วถ้าจะตายกรรมอย่างเงี้ยส่งไปไหนแล้วเราต้องใช้วิบากกรรมอะไรที่มีอยู่หรือตายวันนี้พรุ่งนี้เราจะไปบังเกิดในภพไหนถ้ายมบอกไม่รู้เนี่ยแล้วยมกำลังฟุ้งซ่านเรื่องอะไรหยุดหยุดคุยเรื่องอื่นแล้วต้องบอกคุยเรื่องว่าจิตเราจะไปไหนไม่รู้อา้าวยมไม่รู้ ต่มาก็ขอตั้งหลักก่อนแลกันอย่าชวนว่าไปไหมนะไม่ไปหรอกไปไม่รู้เนี่ยก็แ <g ül> สดงว่าไม่รู้จะไปไหนนะมันแปลอย่างนี้นะไปไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนงั้นก็ไปแล้วกันไปไหนก็ไปไปเลยไม่ต้องรอ <g ül> ไม่ไปหรอก <g ül> จิตมันต้องเข้าใจจริงเรียก ว, ว่าภาวนาเฉะนั้นการภาวนาคือการเข้าใจจิต และเข้าใจการดำรงอยู่พร้อมทั้งการจากไปเอานะาก็ขอ ส, ส ม, มุิยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ยัโยมและพระสงฆ์ทุกรูปทุกนามเทิญ